เรื่องประคตเอวสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้คาดประคตเอวเข้าไปบินทบาทอันตรวาศของท่านหลุดที่ถนนคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันโห่ร้องภิกษุนั้นเขินอายครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัด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 เราอนุญาตประคดเอวสมัยนั้นพวกพิกษุฉัพพักขีใช้ประคดเอวชนิดต่างๆคือประคดถักเชือกถักเป็นหัวงูน้ำกลมคล้ายเกลียวเชือกคล้ายสังวานคนทั้งหลายตำหนิประนามพรทนาว่า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 คล้ายสังวารรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตประคตเอวสองชนิดคือประคตแผ่นผ้าประคตไส้สุกรชายประคตเอวลุย่ยภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ